แต่เพราะว่าเคยให้สินลืมลืมบ่อยก็ครั้งแรกเขามีคนกรุงเทพเ็าไปเห็นตมาเขายกย่องเป็นพระอาราหาันเนอมอนไปเทศอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมคนมาฟังอาราหาันนั้นทั้งสามร้อยคนห้องประชุมไฟช่วยไม่ได้เลยเขาก็จ้อง อรหันทำไมดําปืป๊ดลนะฮะออนะเขาจ้องจ้องมากก็เลยให้สินไม่ครบให้ถุนไม่ครบเลยสินสี่ไม่ได้ให้เลยเพราะโยมันนั่งดินทาพระพี่บารหันอะไรดําปืป๊ดๆก็เลยให้ทินไม่ครบเทศเสร็จแล้วก็เลยเขาก็มาตามล่าเอาสินเขาบอกให้สินไม่ครบต้องไปฟ้องหลวงตามหาบัว พราะว่ามาจากหลวงตาแล้วทําไมสอนลูกศิษย์แล้วให้ศีลไม่ครบเออหนักใจนะจะไปพ้องหลวงตาเราก็หลวงตานะเห็นหลวงตาโคตรไปหมดเลยเพราะกลัวหลวงตามากเลยบอกโยมความจริงศีลครบอยู่แล้วที่ไม่ครบก็เพราะมาจากโยมแหละโยมนั่งคิดอะไรกันหรอเขาบอกรู้ด้วยหรอ ไม่รู้แต่โยมคิดเองเมื่อกี้โยมว่าไงอะ่ะว่าพระอรหันตะ์ดำปืป๊ๆ อ, อ่ะใช่ไหมหมุสาตามานะ่ะตามาก็เลยไม่จำเป็นต้องห้ายหรอกใช่ไหมเอาดำแล้วรู้ด้วยเหรอดำก็รู้พอๆกันตั้งแต่นั้นก็เลยเทศกรุงเทพตลอดเลยน ะ, ะถ้าให้สินไม่ครบถ้าให้สินครบเขาก็ได้เทสได้ครั้งเรียว น่าถ้าให้ครบนะครั้งเดียวตอนนี้ไม่ครบก็เลยเบิ้ลสองไฟขึ้นเวทีสองครั้งก็เลยได้ตลอดเลยคือปกติเอาสาระธามาไม่ได้หรอกเพราะเรื่องเท ศ, เ, ทศเพศาอตะมาไม่ใช่นักเทศเหมือนประเดียวพระคุณเนี่ยจเจ้าคณะจังหวัดนี่ท่านเป็นนักเทศท่านจะขึ้นมารมนะดูดีหมดแต่ธรรมานี้พูดตรงๆเถอะไม่ใช่ทั้งนั้นธรรมะเทพเหมือนใครโยมฟังต้องทาใจที่สุดนะ ไม่ธรรมดามวนชลองกรุงเทพจองร้อยปีเนี่ยให้ปเทศสวนลุมเนี่ยนี่เป็นทั้งหมยสวนลุมพินีมาแล้วนะขึ้นขึ้นเวทีมาแล้วก็เทศไปประมาณห้าทุ่มในมนตามาเทศตารมาดูนโยงกงนอนตั้งนโมเสร็จนรกไปแล้วสวรรค์ไปแล้วนิพานไปแล้วไปได้หมดเ้วย อ, อย่างเดียวที่ไม่ได้ไปคือไปนอนเอวังก็ไม่รวดประการปรชน อาจารย์จำเนียมบอกท่านเยือนทำไอ้อย่างไรเราบอกโอยทําทได้คนโุรินขนาดเล่ากินไม่เหลือนะหมดขวดทุกครั้งเลยไหมไอ้แค่นี้ทำไมจะทําไม่ได้มาไล่โยไม่นอนเลยจําแม่นเลยฮะเออองค์อื่นไม่เท่มันมาเขาเขาไม่จําฮะองค์ที่ไล่เป็นโยไม่นอนนี่ก็จําแม่นเลยไปที่ไหนก็จำหมดเลยบอกองค์นี้หรือองค์นี้ต่วันนี้ก็นนมันเป็นโอกาสที่ดีก็ได้มาอีก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 อันนี้ต้องทำก่อนนะทำให้เหนื่อยเสร็จแล้วถึงจะลับก็วันนี้ก็ที่เราจะมาปรรบธรรมะกันก็ที่เคยๆกันนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าลักษณะาการสอนธรรมมันก็มันก็มีหลายอย่างใช่ไหมฮะอย่างของตอมานี่เก็เลือกทาทำนอกระบบอ่นะเป็นทำนอกระบบนะ ต่อไปก็ตั้งจิตตั้งใจนะโมตัสสะะวโตอะระหะโตตัมมสัมบุตรัสสะนะโมตัสสะะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทรัสสะนะโมตัสสะะวโตอะระหะโตตัมมสัมบุทัสสะบททางสรนังกัจฉามิ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 สมาธิก็ไม่ไปไหนหรอกนในการเราจะเรียกสติมันก็ต้องใช้วิธีช่วยช่วยเรียกถ้าคนตายก็จุดทูบเรียกวิญญาณนะเห็นไหมก็จุดทูบเรียกวิญญาณเพราะอะไรอ่ะเพราะทูกหอมทูกหอมปุ๊บคนตายก็วิญญาณมารู้ตามกลิ่นทูบไปเรืเร่อยๆไปนะก็เรียกจุดทูบเรียกวิญญาณ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 เนี่ยเสร็จแล้วจิตก็เป็นมันมันหยุดอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอยู่นานนานนานไปสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นนะะอันนี้อ่ะมันเป็นเอก็ลองดูคนที่จะไม่เคยกินก็กินนะถ้ากินเราก็ต้องคุกเข่าก่อนคุกเข่ากินเพราะถ้าไม่คุกเข่าแล้วน้ำเย็นมันลงไม่ถึงกระเพาะนะนะเอาลองเลยโยมลองเลยจะได้นั่งต่อนะะ <c oughs> แต่เฉพาะคนพอใจที่จะลองน ะ, ะถ้าถ้าถ้าเคยทำแล้วก็ไม่ต้องลองกินให้เยอะๆกินให้หมดเลยไม่ต้องไว้ถ้ากินน้อยร่างกายมันร้อนแรงรุนร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไฟขนาดเอาหอยเข้าไปยังละลายเป็นน้ำได้เลยนะถ้างั้นน้ำเย็นแค่ น, นี้เกือบไม่พอท่านโยมจะทานก็นั่งคุกเข่านะ คุกเข่าหน่อยเออแล้วฐานให้หมดนะน่ ะ, นะคุกเข่าเลยฮนะออือ่าคุกเขา่าทานให้หมดเลยนะเอาหมดเลยฮนะปึ๊บเลยน่ะไม่ต้องรอคอยใครฮนะทานให้หมดที่ว่าให้คุกเข่าเพราะอะไรถ้าคุกเข่าแล้วมันจะถึงฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดน่าหลวงปู่หลวงปู่ท่านฐานหนึ่งฐานสองฐานสามแต่ถ้าคุกเข่าแล้วมันถึงฐานที่เจ็ด ของจิตเราเอาลึกๆเอาเลยเลยเอาไว้นั้นนะฮะตอนนี้อย่าเพิ่ง น, นั่งนะถ้าคุกเข่าแล้วอย่าเพิ่งนะั่งะโยมให้หลับตาและลึกดูว่าน้ําเย็นที่กินไปแล้วเนี้ว่ามันตรงไปถึงไหนแล้วถ้าถึงเลยสะดือไปโยมค่อยนั่งแต่ถ้ายังไม่ถึงสะดืออย่าเพิ่ง น, นั่ง นะให้เอาลมหายใจช่วยไปอีกก็ได้สูดลมลึกๆ ก, ก็ไปแล้วก็ผ่อนลงไปลึกไปน้ําเย็นนะฮนะให้ลึกๆเลยถ้าถ้ามันเลยสะดือไปแล้ว เ, เราก็นั่งได้เลยถ้าเลยนะถ้ายังไม่เลยอย่าเพิ่งนั่งฮนะถ้าเลยปับ๊บนั่งละถ้ายังไม่เลยก็นั่งไปก็มันไม่สัมผัสอะไรนะ สังเกตดูดีดีดนะเออเอาตอนนี้ถ้าญาณโยมไหนก็ท่าเลยไปแล้วให้โยมหลับตาให้สนิทนั่งสมาธิกัฏมาให้มั่นคงไม่ต้องเกรงใจอาตมาแล้วนะเพราะการปฏิบัติรมไม่ต้องเกรงใจใครนะ่ะนั่งให้สบายนั่งให้อิ่มนั่มให้อร่อยนั่งให้สดชื่นนะ่ะถ้านั่งแบบไม่อร่อยนั่งแบบทรมานเนี่ย ไม่ดีฮะเอเ อ, เอต่อไปนี้ก็โยมก็สังเกตดูว่าวิญญาณของคุณโยมเข้าหมายอย่างวิญญาณนั้นคือความรู้สึกความรู้สึกสุดท้ายของความน้ำเย็นถ้าเรารู้สึกความน้ำเย็นของเราถึงกระเพาะเราแล้วเลยลําเลยจะดืไปแล้วหมยความว่าวิญญาณกลับมาแล้ว วิญญาณกลับมาแล้วก็พยายามระดมวิญญาณของเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาถ้าวิญญาณเข้ามาเต็มที่แล้วสติก็ควบคุมวิญญาณของเราควบคุมวิญญาณอย่าให้มันออกไปเป็นผีปอบนะเอาสติของเราควบคุมวิญญาณของเราวิญญาณคือการระลึกรู้การระลึกรู้ว่าความเย็นอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเอาสติช่วยเข้าไปอีก เหมือนเขาบอกว่าธรรมะหลวงตามาบอ ว, ว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิญญาอ่มมานั้นคือเราต้องเอาสติเอาสติกับวิญญาณคู่กันสติก็ต้องอยู่ข้างในด้วยวิญญาณก็ต้องอยู่ข้างในด้วยแล้วก็พยายามอบมันไว้อบมันไว้อยู่กับที่ อย่าให้มันออกไปที่อื่นเดี๋ยวมันไม่มันไม่มีรสชาติพยายามอบไว้อบไว้คื อ, อการคขาว่าอบคือปัญญาปัญญาอบรวมสมาธิปัญญาก็คือพยายาม ค, มควบคุมควบคุมสติของเราให้เราเลึอกอยู่ให้เราลึกรู้อยู่กับความรู้สึกความรู้สึกถ้าเราไม่มีน้ำเย็นมันจับความรู้สึกไม่ได้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 ควบคุมตาลวงตาท่านบอกว่าอบปัญญาเอาปัญญาควบคุมปัญญาควบคุมคือการการระลึกรู้การระลึกรู้เนี่ก็เรียกปัญญานะอะปัญญาควบคุมไว้อย่าให้หายอย่าให้มันไปไหนออย่าให้ไปไหนพยายามจับเขาไม่จู่พุทโธอย่าเพิ่งท่องก็ได้แล้วอย่าเอาสติมาไว้ตรงปลายจมูก เพราะว่าเอาสติของเราไปอยู่กับวิญญาณวิญญาณมันอยู่ข้างในไอ้ที่ไปจมูกลมนั้นอ่ะเขาเรียกว่าลมไม่ใช่วิญญาณเนี่เอาเข้ามาอยู่ข้างในก็พยายามเลยเลึกรู้รู้อยู่ตรงนั้นให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องช่วงที่เรานั่งภาวนาช่วงที่เรานั่งภาวนานี่พยายามอย่าให้มันไปไหนพยายามเลยลึกรู้ถ้าไป ถ้าระลึกแล้วมันจะไปที่อื่นก็พยายามนึกความเย็นไว้ความเย็นน่ะมันไปไหนไม่ได้น้ำเย็นที่กินไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้น้ำเย็นน่ะที่กินไปแล้วต้องอยู่ตรงร่างกายเราถ้างั้นถ้าสติว่เราคือวิญญาณของเราพวกเอากุมวิญญาณไม่อยู่สติไม่อยู่ต้องพยายามเอาน้ำเย็นเป็นตัวตั้งไว้เป็นตัวตัวตั้งเป็นตัวตั้ง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 อย่าเพิ่งไปคิดอย่างอื่นให้เราไล่ทะล่มเขามาสู่ข้างในเลยให้มันสู่ข้างในอย่างเดียวเลยอย่าไปข้างนอกเียงขาดเพราะจะไปข้างนอกก็ไม่ต้องเผารนาถ้าเผาวนาแล้วต้องมาข้างในถ้าเผาวนาปังมาข้างในไม่ได้ก็ไม่ความเหมืนมันไม่ได้เผาวนาดัางนั้นวิธีเข้าในจาเป็นถึงอาจารย์ต้องต้องมีตัวอุ ป, ปายเขาเรียกกุสโลบายกุสโลบายการวิธีการปฏิบัติธรรม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 วิญญาณเคยไปท่องเที่ยวมันก็ไม่ไปมันก็หยุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้การหยุดๆๆหยุดหุดุดนานานานนานหยุดไปหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหยุดอยุดนั้งจนสิบนาทีก็ยังหยุดตรงนั้นอ่าสิบห้านาทีก็ยังหยุดอยู่ตรงนั้นยี่สิบนาทีก็หยุดตรงๆๆนั้ น, น, น, นสุดท้ายสุดท้ายข้างนอกลืมหมด ข้างนอกที่เราเคยไปเคยท่องเที่ยวต่างๆนานานก็ลืมหมดเลยถ้าลืมหมดกันั่นเองสมาธิเกิดขึ้นแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นก็ต้องลืมข้างนอกถึงจะเป็นสมาธินลืมข้างนอกตอนนี้วิธีลืมข้างนอ ก, นนอกเราจะเอาทำอย่างไรถึงจะลืมข้างนอกนะก็ต้องอาศัยโ อ, อกุกโลบายช่วยเหมือนอใจอาจารย์บอกว่าน้าเย็น นะน้ำเย็นสุดท้ายเราพยายามระลึกไว้อย่าเพิ่งไปไหนอยู่ตรงนี้วันนี้จะอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเพราะเรานั่งภาวนาเพื่อเพื่อควบคุมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเร า, านั่งภาวนาเพื่อควบคุมจิตใจของเราเป็นสมาธิการควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธินั้นต้องมีสติ มีทัศนไม่พอก็ต้องเลลึกให้ระ ล, ลึกให้ระนลึกไห้อยู่คําว่าระ ล, ลึกก็อยู่คือให้ระนลึกไว้ให้อยู่ตรงนี้ด้วยเลนลึกอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้สติเข้าไปควบคุมตรงนี้ด้วยควบคุมที่เดียวถ้ามันกระจายไปไม่ต้องไปอยู่เนี่ยอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนะอย่าไปต้องมาอยู่ที่หัวใจนะไม่ต้องอยู่กองผู้รู้สุดท้าย ตรงนั้นอ่ะเหมือนน้ำเย็นที่ให้กินไ ป, ไปอ่ะพยายามเึกไว้ตรงนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าเพิ่งให้ออกช่วงนั่งภาวนาอย่าเพิ่งให้ออกนะอย่าเพิ่งออกถ้าออกแล้วคาว่าภาวนามันจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าออกแล้วภาวนาจะไม่เกิดขึ้นมันเสียแล้วก็เรามานั่งสมาธิเพื่อจิตสงบมันก็จะไม่เกิดมันจะไม่สงบมันจะเสียนะ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 จนลืมรละลึกรู้ข้างในจนลืมตัวเองลืมตัวลืมตนลืมจิตลืมใจลืมตลอดถึงวิญญาณเจ้าของภายในลืมหมดเราก็ใช้ไปข้างนอกตอนที่เราเอาเข้ามาข้างในทึงรู้เลยว่าเรามันแย่ตอนเอามาข้างในทึงรู้ว่ามันแย่จริงๆนึกว่าตัวเองฉลาดนึกว่าตัวเองเก่ง เนื้อก็ตังเองเป็นค น, น, น, นต่างๆนานาต้องเอาสติเอาวิญญาณเข้าให้มันให้วิญญาณมันหยุดอยู่กับที่มันไม่ยอมหยุดสติหยุดอยู่กับที่ไม่ยอมหยุดเนื้อลึกก็ไม่ได้ถึงรู้ว่านี่แหละนี่แหละผลของการที่ไม่เอาจิตเข้าไปสู่ข้างในตอนนี้เราจะเลืลึกข้างในก็เลลึกไปไม่ได้เลื่ลึกได้แต่ข้างนอก ข้างนอกนั้นน่เป็นการระลึกไม่ใช่ระลึกเพื่อตัวเองเขาเาาลืเเกอกทํามภาษาลาวก็เลือกไอ้สีหาเหตุหน้าตัวเองไม่เคยมองเรื่องเจ้าของก็ไม่เคยเอาเอาแต่เรื่องคนอื่นมาคิดมาใส่ไว้ในเจ้าของสุดท้ายบอกว่าภาวนามไม่สงบทํำยังไงก็ไม่สงบหลวงพ่อ แต่ตอนมันนั่งไปมันไม่เอาหลวงพ่อไว้ตรงนั้นนะ่ะเสือไปเอาที่อื่นมาไอสิ่งที่เราสอนไปก็เสือไม่เอาไปเอาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องเอาเราต้องตั้งสติให้แนว่วให้ควบคุมให้อยู่จะพึ่งไปไหนช่วงที่อาจารย์อยู่บนสมานจะพึ่งไปจะพึ่งไปนะทำไปบอกปไปจะไปหลวงปอยเรือนอยู่นี่มึงจะไปทไําไมเว่ะเยองจา้าของ มันจะไปอีกบอกไปทำไมไปทำไมไปทาไมเดี๋ยวหลวงพ่อด่าเอาเออเดี๋ยวหลวงพ่อก็ด่าเอาดยเด็บางคนก็แอ บ, บไปนะเสืออแอ บ, บไปนะเพราะอะไ ร, รมันแอ บ, บนะมันจะมันแอบนะแอบไปเบ๊บเดียวนะเออมันมันแอ บ, บได้เหมือนกันนะทัางนั้นเราก็ต้องแอ บ, บดูมันแอบรบะลึกแอบรบะลึกมันแล้วก็เล็งให้ดีด เลงใหด้ดีแอบดูแอบดูว่าผู้รู้ของเรายังอยู่ตรงนี้คาว่าผู้รู้ก็คือวิญญาณยังอยู่นี่ไหมสติยังอยู่ที่นี่ไหมพยายามเลยลึกไว้ลึกไว้ลึกไว้ลึกไว้เพิ่งจะเพิ่งไปอื่นนะห้าไปที่อื่นนะวันนี้ควบคุมตรงนี้ควบคุมตรงนี้ใครไม่เป็นสมาธิก็ไม่รู้ไปเพราะทำไมตารมะถึงให้ควบคุมอย่างนี้ เพราะเราเคยปฏิบัติมาแบบนี้มาแล้วปฏิบัติมาแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขเออมันมีความเบาเบากายเพราะกายไม่ได้พิจารณาเพราะไม่ได้ดูกายมาดูจิตดูจิตตอนนั้นแหละนานสติอยู่กับจิตของเราเนี่ยนะตอนนั้นกายเลยก็ลืมกายเราก็เลยลืมดูไปสติเราก็แน่วแน่ขึ้นมา ถ้างั้นตัวนี้อ่ะทำไมถึงอาตมาเอาวิญญาณมาเรียกด้วยเพราะส่วนมากอาตมาก็คือไปที่ประเทศอิสราเอลเขาก็ถามมาหลวงพ่อวิญญาณยังอยู่ไหมอยู่แล้วไปเที่ยวดอได้เลยเพราะวิญญาณอยู่แล้วก็ไปได้ถ้าวิญญาณไม่อยู่นี่มันไปไม่ได้ถ้างั้นของเราก็ต้องการควบคุมวิญญาณถ้าวิญญาณกับสติอันเดียวกันนะ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 แต่นานนานไปก็ไม่ค่ยรู้สึกไอ้ที่ไม่รู้สึกก็เพราะอะไรเพราะว่าแอบออกจากบ้านทางหน้าต่างทางประตูก็าปิดกรเสือกออกทางหน้าต่างก็เลยลืมบ้านเจ้าของลืมบ้านเจ้าของก็เลยออกไปนู่นไปเห็นขางนอกไปก็เลยข้างในก็หายไปไอ้ที่มันหายก็เพราะว่ามันมันไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันเสือกไปมันก็เลยหายทั้งนั้นวิธีหายทําไง กลับม า, นนาเลย่ะอย่าไปอย่าเพิ่งไปกลับมาที่เก่านะม่อยู่ที่เก่าม่อยู่ตรงนั้นเย็นไม่เย็นไม่สำคัญความเย็นไม่สำคัญเรารู้ว่าความเย็นหายตรงไหนตั้งสติไว้อยู่ตรงนรงั้นอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ยาไปอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปอย่าไปเบี่งขาดนะอย่าเพิ่งอยู่ตรงนี้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 ยักออกไปไปไปสู่ข้างนอกน่ะถ้าอยากเมื่อไหร่มันก็เป็นไฟทันทีถ้างั้นเรารวบรวมจิตใจของเราให้มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวจะพู่ไปไหนถ้าจิตมันจะค่อยลึงลงไปลงไปเราก็ตามมันไปนะเราก็ตั้งความรู้สึกตอนนี้ถามว่าตั้งความรู้สึกตอนนี้อยากไหมไม่อยากเพียงแต่ระลึกรู้อยู่ตรงนี้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 เขาว่าสมาธิท่โยม อ, อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นตอนนี้ท่านโยมหยุดปุ๊บสมาธิเกิดขึ้นสมาธิเพราะอะไรสมาธิคําว่าสมาธิคือจิตสงบจิตสงบคือจิตนั้นมันหยุดแล้วคำว่าจิตสงบอ่าจิตสงบเพราะมันหยุดแล้วถึงจะสงบเหมือนคนวางมืออยู่กับเที่ยนนั้นหมายความว่าสงบแล้วถึงวางได้ถ้าเคลื่อนไหวก็ไม่สงบนะตอนนี้จิตสงบปุ๊บ มันไม่เคลื่อนไหวมันนิ่งเฉยเลยนิ่งอยู่กับที่เลยไม่ไปไหนไม่เคลื่อนไม่กระเพื่อนซ้ายกระเพื่อนขวาเพื่อนหน้าเพื่อนหลังมันหยุดเหมือ น, นเราเอาของวางไว้เพราะอยู่กับที่เลยนั่นแหละถึงเขาเรียกว่าสมาธิตอนนี้จิตมันหยุดแล้วอ่ามันก็สบายมันก็สบายจากการหยุดจนเตที่แล้วก็มันก็จะหยุดแล้วเดี๋ยวขาว่าปัญญา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 นะปัญญาจริงๆปัญญาในเขาเรีในจิตของเราต้องหยุดอยู่กับที่เราต้องพยายามหยุดตรงนี้ถ้าหยุดแล้วโยมตะกน์โยมคนไหนหยุดได้โยมนั้นจะมีความสุขมากที่สุดเลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนองค์กลฤมานไล่มาถ้าถามว่าองค์กลฤมานถามว่าทำไมกรรมนะะไม่ยอมหยุดพระพุทธเจ้าบอกหยุดแล้วแต่เธอทั้งหากไม่หยุดและตอนนี้เราเป็นศิษย์ ของพระพุทธเจ้านั่งภาวนาแล้ววิ่งเหมือนพระเทวทัพแต่ เ, เหมือนพระองค์กลิมานเนี่ยวิ่งเหมือนองค์กลิมานเราไปเอาองค์กลิมานแต่ไม่เอาพระพุทธเจ้าถ้าเราพุทธเจ้าองค์กลิมานก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเอาองค์กัลมาณปับ๊บพระพุทธเจ้าก็หมดความหมายเหมือนกันตอนนี้เราก็มาเลือกเป็นว่าสารณะของเราเหมือนบอกว่าพุทธทางตรงังกระถามานิธรรม สารณะขอเราถาว่าสารณะองค์กลิมานหรือสารณะพระเจ้าถ้าเ voilà รามีสารณะของเราแล้วสารณะของเราคือการหยุดเดือดที่นั่นเขาเรียกว่าจิตจิตถึงสารณะของเราจิตที่ถึงสารณะของเราจิตนั้นก็เรียกถึงไตรทระไรระโคมก็เรียกจิตที่มีศินจิตที่มีศินสินนั้นคือความหยุด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 แต่ถ้าเราไม่ลึกๆตรงนี้ก็ไม่ศรัทธาแต่ส่วนมากคนเราจะไปศรัทธาอถ้ า, ามะที่ว่าระสัไปศรัทธาองค์กลิมานแต่ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้ า, าถ้อ่างนั้นคนจะไปศรัทธาองค์กลิมานก็ต้องวิ่งไม่หยุดวิ่งไล่ข่าไล่โน่นต่างๆนานาแต่ถ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าองคกลิมานก็หมดความหมายเลย ถึงควรจะวิ่งยังไงฉันก็ไม่วิ่งเพราะฉันหยุดแล้วทางนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันหยุดแล้วการหยุดแล้วของพุทธเจ้าก็คือสมาธินั่นเองฉันมีสมาธิแล้วตั้งสติไว้แล้วฉันจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่โกรธไม่เกลียดใครนั่นคือการหยุดทางนั้นญาณโยมทั้งหลายก็ต้องหยุดให้ได้อย่าเพิ่งคิดว่าหนึุนภาวนาแล้วจิตไปนน้นไปนี้ต่างๆนานานั้นมีปัญญาไม่ใช่ ไม่ใช่ได้นอนผิดเป้าเลยฮะนั่งภาวนาเสร็จแล้วจิตไปต้องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ต่างๆนั้น่ะเขาเรียกว่าลงสังขารคือวิญญาณเป็นผีปอบเออกจากร่างเหมือนผีกระสือนั่นแหละขว่าผีปอบนั่นแหละร่างตัวเองไม่ยอมอยู่ชอบออกจากร่างแล้วก็ไปหากินอะไรต่อกินอะไรก็ไม่รู้สารพัดจริงจริงก่อนจะไ่นั่งภาวนาก็ไม่มีอะไรกิน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 โยมแบ่งภาคไม่เป็นภาคหยุดนะเพราะโยมหาที่หยุดไม่ได้นะถ้าหยุดได้ไม่ไหร่จิตก็เบิกสุดถึงลงปู ด, ดูลทันเน้นนักเน้นหนาว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ก็ต้องอาศัยความคิดแล้วแหละถึงจะรู้รู้อะไรรู้ว่าจิตเราหยุดแล้วถ้าจิตหยุดเพราะอาตามาเป็นมาก่อนแล้วอ่ะอาตมาเป็นมาก่อนแล้วที่อาตมาพูดแต่พอเราเป็นแล้วอ่ะ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 เมื่อนคนศรัทธาพระก็ต้องไปหาพระองค์นี้มากๆมบ่อยๆบ่อยๆน่ะถึงไม่ไปก็คิดถึงอุกลางคืนก็คิดถึงกลางวันก็คิดถึงตอนเที่ยงคิดถึงตอนเช้าก็คิดถึงเพราะศรัทธาถ้างั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องคิดให้เกิดศรัทธาคิดถึงคิดถึงตรงนั้นตรงนจนเกิดศรัทธาเริ่มใสเต็มแล้วสุดท้ายจิตเราก็เป็นนี่จริงๆคือเป็นธาตุเขาเรียกคือเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายของเราคือระลึกรู้ ว่าเราอยู่ตรงนี้ตลอดไปนั่นวิธีการแก้ไขเพราะว่าเรื่องกิเลสนะก็ยอมรับอยู่ไอ้ น, นอสตมาก็พูดไปก็ขอโอกาสท่านกระเดชประคุณแล้วก็ขอโอกาสนั่งโยมหรือขอกรมาโทษหลวงตาด้วยหลวงตามาบวกคืออาตมาเองเนี่ยอาตมาภาวนายังไม่ได้ฆ่ากิเลสเพราะไม่ได้ฆ่ากิเลสป้าตมาไปนั่งภาวนาแป๊บเดียว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 ถึงจะเป็นสมาธิถ้าไม่สู้กิเลส ก, ก็ไม่เป็นสมาธิหมายความว่าขยันมากออกนอกบ้านท้าตีท้าต่อยกับกับวัยรุ่นแบบนี้ก็ต่างคนก็ต่างเจ็บติแน่เห็นวัยรุ่นอยู่ข้างนอกก็จะท้าต่อยก็มันึกมามันเป็นศัตรูแก่เราถ้างั้นถ้าเราจิตของเรามาอยู่ข้างในอ่ะเรศัตรูมันมาจากไหนอ่ะถ้าเราคุมจติตของเราอยู่แต่ดูดิศัตรูมีมาไหม ถ้าสติเราหยุดแล้วศัตรูมันมีมไหมอ่ะมันไม่มาอสติเราหยุดก็มีแต่สมาธิเท่านั้นอ่ะสมาธิจะเป็นศัตรูกับเราได้อย่างไรแต่สมาธิไม่เป็นศัตรูแก่เราแน่เพราะสมาธิมันมันสงบแล้วจะเป็นศัตรูได้ไงอ่ะงันก็ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวอย่าพึ่งไปไหนถึงธรรมาบอกว่าถ้าหยุดไม่ได้ก็เอาน้ำเย็นของธารมะซับไปสามแก้วสีแก้วไปชังหัวมาเถอะ อามันไปดัวนี้เออน้ำมันยังไงก็ต้องอยู่ในท้องเราแ น, น่นอนโน่นอยู่ในกระเพาะน้อยพูเลยแหละอ่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะทําไมน้ําอยู่ตรงนั้นได้ฉันก็ตั้งสติอยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันนะว่าเออตั้งมันอยู่ตรงนั้นเลยอย่าให้ไปตั้งที่อื่นเพราะถ้าตั้งตรงนี้เขาเรียกโอปันญิโกโอปันญิโกคือการน้อมเข้ามาสู่ภายในสู่ภายในเท่านั้นถึงจะเป็นสมาธิถ้าไม่น้อมเข้ามาก็จะไม่เป็นสมาธิ ก็เลยวิธีอุบายการน้อมร้องไงก็เลยเอาน้ําเย็นมันเป็นอุบายมายวเป็นกุสโลบายช่วยถ้าไม่มีน้ําเย็นก็โยมก็สูดลมหายใจเข้าหายใจออกอถ้าไม่มีน้ำเย็นลงก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่ถึงสะดือเพราะมันลงไม่ได้ทังนั้นวิธีการภาวนาเพื่อกําจัดแก่กำจัดความพุ่งซ่านรําคาญต่างๆนานาทั้งหมดนั้นนั้นวิธีตรงนี้จะกําจัดได้ดีมาก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 มันว่างเองจากนั้นแ่ะถ้าควบคุมได้ตัวเดียวมันก็ว่างหมดนะถ้าควบคุมไม่ได้ก็ไม่ว่างทางนั้นนี่คือการปฏิบัติให้ถึงสราะระพุทธเจา้าเป็นที่พึ่ง ป, ปรเป็นที่พึ่งประตรงพิธีคำว่าเปที่พึ่งนั้นคือให้หยุดอยู่ตรงนี้เอกับความรู้สึกตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยน ไ, ม, ไม่ต้องไปต่อสู้กับศัตรูเราไปต่อสู้ก็ทําไมเรานั่งอยู่นี่เนี่ยจะไปเราไปออก ไปนอกบ้านก็โดนเจ็บตัวนี่แหละส่วนมากสติเราเนี่ะตอนที่เราให้หยุดเท่านั้นเองตึงรู้โอ้โหทำไมมันหยุดยากหลือเกินวะหยุดมันจะหยุดหยุดแพ่เดียวก็จะออกแล้วหยุดแพิ่เดียวก็จะออกแล้วทําไมถึงมันไม่ยอมหยุดตอนนี้ทรมานทรมานเหมือนลูกมันออกไปเที่ยวนอกบ้านจับมันมาขังแล้วลูกก็ออกอีก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 แบ่งกันไม่ได้เนอะถ้าแบ่งกันได้ป่านนี้ธรรมาขอผู้ติเจ้ามาแล้วนะหรือขอโน่นขอลุงปู่ ม, มันมาแล้วจากวิญญาณลุงปู่ ม, มั่นก็มาเป็นวิญญาณหลวงตาเยือนก็สบายเออปอดปลอ ด, ลอดภัยแต่ตอนนี้ญาติโยมก็เลยมาเข้าใจว่าต้องให้วิญญาณอาจารย์มาช่วยเขาช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยวิญญาณตรงนี้แรงเพราะแรงเพราะอะไรอ่ะธรรมาจะพูดอันนี้ที่ผูใ้ใดฟัง นอกประเด็นโยมนอย่าเอาจิตไปตามนะสติต้องอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะหูได้ยินได้แต่สติตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับการพูดนะเพราะว่าการพูดมันคือคนละอย่างสติตรงนี้ก็คนละอย่างกันนะนะเพราะว่าเคยอยู่บ้านตาดบ้านตาดก็ท่านเบิ้มอาตมาก็นั่งอยู่กุดมาประมาณหกโมงเยน็นท่านเบิ้มเขาก็นั่ง ข้างๆ ข, ของกุศท่านปัญญาเขาก็ทําวัดเย็นทําไปก็เห็นอาตมาไปนั่งขัดธมาดให้ก็ก็นั่งกราบอย่างนั้นกราบมันแล้ววันนี้ก็อาัยให้อาภัยหรอกนะทําไมถึงท่านเงยือนมานั่งให้เรากราบมันมีอะไรดีวันที่สองก็ไปนั่งตอนเขาทาวัดที่ไหนก็ประกฏตัวเองไปนั่งให้ก็กราบเนี่ยท่านเปิมเป็นคนภาคกลางแขน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 เรื่องอะไรกูเติ้นเบิ่มอยู่ที่ไหนมันจำเป็นต้องสนใจไม่สนใจหรอกนะไม่สนใจนานะเพราะอะไรเพราะจิตมันออกไปไปปรากฏของเขานะถ้างั้นเลยก็หลังตมาบอกว่าญานะเดี๋ยววิญญาณตมาไปจริงๆโยมจะคลัวเลยฮะนะถ้างั้นเราต้องควบคุมวิญญาณใครวิญญาณมันนะวิญญาณใครวิญญาณมันจิตใครจิตมัน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 ไอ้ที่ล้านล้นา น, นาทีก็เสีอกไปคิดไปคิดอะไรก็ไม่รู้พระองค์ท่านหมายถึงตรงนี้ว่าสวาบุญนของเร า, าน้อยนักบุญเนี่ยบุญก็ว่าบุญจะเตีกิบถึงบุญมันน้อยจริงๆมันน้อยมันไม่เยอะท่านบอกว่าต้องรีบทําตามันนิดเดียวญาณโยมก็รู้อยู่ใจใจอ่ะวันโยมจะมากหรือจะน้อยจะโยมก็รู้เอาเองวันหนึ่งคิดถึงธทำกี่นาที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 ท่าจะคิดถึงท่านไหนท่านจะอนุญาตไหมบอกไม่ทาไมโยมก็เอาโยมจิตโยมกลับไปคืนซักยังไม่คิดถึงเราทําไมนี่แล้วโยมคิดถึงใครก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตเขาได้ก็จะดีนะนะวิธีการแก้ไขคือข อ, ข อ, อก่อนอเมื่อเราคิดถึงคนนูน้นคนนี้บอกตอนที่เรานั่งสมาธินะอันนี้หมายถึงตอนที่นั่งสมาธิคิดถึงเขาถ้าเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาไม่อนุญาตให้คิดอย่าไปคิดตามเขา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 ฉันก็อยู่นี่แหละที่เกียรออกไปแล้วตั้งใจจะออกแม้อยากออกก็ไม่ให้ออกอยากออกก็ไม่ออกพูสารหลอกจะออกอีกก็ไม่ยอมออกแหมรู้เท่ารู้ทันเหลือเกินอะไรมันจะแอบไปนิดนึิงอกดึงขากลับมาคืนแล้วจะออกประตูก็ดึงขาจะออกหน้าต่างก็ดึงขานี่ยไปนเงี้ยคือรู้เท่าเขาเรียกรู้เท่ารู้ทันการออกการรู้เท่ารู้ทันนั้นก็ต้องมีสติ สติเหมือนนะสติต้องอยู่กันเนี่ยนะก็ต้องอยู่ตรงนี้สติเราก็เหมือนถ้าเราสมมติข้างนอกก็คือพ่อแม่เราได้แหละอที่จิตเราออกก็คือลูกเราออกนอกบ้านนแม่จะให้ออกได้ไหก็แม่อยู่ในบ้านลูกจะออกไปจะบอกไหมอย่าออกไปว่าย่าออกไปเอ้ยอย่าออกไปเนี่ยออกไปบ่อยลูกก็อย่าออกไปเอ้ยพ่อพ่อพออยู่เนี่ยสุดท้ายลูกนอนหลับแม่ก็สบาย เพราะอะไรเพรไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหัวแตกข้างแตกแขนหักขาหักนี่เวไรเงี่ยก็พักผ่อนสบายการภาวนาไม่แต่ธรรมะเนี่ยนะธรรมะจริงๆมันอยู่ตรงหน้าเราทั้งหมดเลยนะปัญญาก็อยู่ตรงหน้าเราทั้งนั้นมันอยู่ที่เราจะตีความเอาถามว่าจะตีความเอาอะไรอะไรอะไรอะไรนั่นหรือจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอานั่นมันอยู่ตรงนั้นเอง คนเราไม่มีใครนะไม่มีใครฉลาดใครโง่กันหรอกทุกคนก็มีความฉลาดความโง่เหมือนกันอาตมาก็โง่เหมือนกันียกว่าอาตมาฉลาดหมดก็ไม่ได้บางครั้งก็โง่เหมือนกันนะแต่บางครั้งความโง่โยมก็โง่เป็นแตถ้าโง่ไม่ออกนอกบ้านเขาเรียกโง่แบบนี้ก็เรียกโง่ปลอดภัยถ้าโอกถ้าถ้าถ้าฉลาดออกนอกบ้านก็เรียกคนไม่ปลอดภัยแล้วถ้างั้นการปฏิบัติทำพยายามเน้นประเด็นตรงนี้ ควบคุมมันให้ดีนะควบคุมมันให้ดีจะพึ่งไปไหนช่วงที่นี่เรานั่งมาสามสิบนาทีแล้วสี่ิบนาทีแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่ได้สบายจริงๆนะแต่เริ่มนานๆไปก็เริ่มเคลิมแอบแอบออกไปนะออกไปครัง้งๆปิดประตูแล้วนะเอ้ยังแอบไม่รู้ประตูก็ยังออกไปได้นะเหมือนวิญญาณนอะออกไปก็ไม่มีมันปรากฏกายอยู่ข้างนอก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 มันไม่เข้ามอ่อมันออกนอกม่อเลยมันเออมันก็เลยลงก็ธรรมะลุกตานะ่าดีมากปัญญาอบรมไว้แต่เราไม่ยอมเข้ามอ่อมันก็อบสมุนไพรไม่ได้แหละเนี่ยเลยเข้าม่อไม่ได้เขาออกหนอกหม่อไปเลยเนี่ยก็เลยเอาหลักธรรมที่ธรรมะอบเ อ, อเขาเรียกสมาปัญญาอบรมสมาธิมาเปิดเทียบมห้ยานโยมฟังว่าทําไมถึงหลุกตาพูดอย่างนั้น ลุงตาพูดถูกมากแป๊วเลยสบายมากตรงเป้งเลยนะอาตอมาฟังเลยชื่นใจอาตอมาเข้าหม้อเลยอบเลยเอออยู่กันในหม้อเลยไม่ต้องออกนอกหมอ้หมอเนี่ยมันก็เป็นก็เลยปัญญาอบรมทําให้จิตเราเกิดสมาธิขึ้นมาการอบรมก็คือการควบคุมควบคุมอ่ควบคุมพี่เลี้ยงจิตใจพี่เลี้ยงอารมณ์ของเราอยู่เพื่อไปไหนตอลอดตลอดเข้าหมอ้อพบปิ ด, ดปากหมอ้อนี่แหละมุงอยากไปไหนนะ อยู่ตรงนี้มันก็เป็นสมาธิทันทีนะอันนี้คือพิธีการปฏปรรบทธรรมะวันนี้ก็คือพุจุดหมายปลายฐานก็คืออยากให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้ถ้างั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็น้อยลงน้อยลงอย่างพว้อาตมานี่ละอองแล้วอาตมานี่มันละอองแล้วโดนแดดก็หายวับเนีเพราะว่าครูบาอาจารย์หลักๆท่านก็ไปบารณะพระมาแล้วของอาตมาก็ละอองแผ่วๆนั่นเอง ถ้าโดนแดดก็หายวับความเย็นก็หายเลยทั้งนั้นตอนนี้เหลือเราองคเราโยมไม่รีบเอาเหรอรีบเอาซะาไม่รีบเอาตอนนี้จะไปตามจะเอาตอนตายก็ไม่ไหวร้องนะวันนี้ก็คือการพูดธรรมะก็เราก็เลยต้องเอาตรงนี้มาเป็นวิธีการปฏิบัติเพราะว่าอาตมาที่วัานีาญญา้โดมทั้งหลายก็พร้อมใจแล้วพรีชีพพรีชีพมาแล้วพร้อมจะตายต่อหน้าตมาคือตายอะไร คือควบคุมจิตให้เป็นสมาธิจะทิ้งบ้านทิ้งช่องจะทิ้งทุกทิ้งทุกอย่างแต่บางคนไม่พรีชีพไม่ยอมอยู่กับตามาแอบไปบ้านเฉยเลยแอบไปโอ้ยถ้าตามามีไม่เรียลตามามจะตีเลยนะไอ้จิตอย่างนี้มันเป็นไปได้อย่างไงนะให้ความจริงข่าวหลังให้ด็อกเตอร์เออเอาไม่เรียลสักอันหนึ่งนะถ้าเกิดใครออกไปตามามบอกนุนคนนุนออกแล้วตีเลยไตเอี ย, อยงนี้อยู่คท่าซะเนี่ย ทางโนจะเรียบออกปี้เอาที่เอามันมันดีเนาะเพระว่ามันดีเหมือนกันแล้วก็ขนาดโดนไม่เดียวเราไม่ยอมอยู่อีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะเนี่ยเพราะมันมันกระซิบกระซาบออกไปนะนะดังนั้นวันนี้ก็การภารบธรรมะนะก็สมควรเจอเวลาก็มากวันนี้ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนั่งนานก็ปวดแขนปวดขาทรมานธรรมะในตัวมากกว้งมากกว่ทรมานนะพระราณเท่าไหรเพราะเวทนามาเริ่มมาหา ถะางนั้นก็สมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและจันีร์ อ, อ่น